เปรวัดโกมุตเปรตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อ่อนได้พบเห็นด้วยตาเนื้อเมื่อไม่นานมานี้บ้านอ่อนอยู่นครชัยศรีอ่อนจะมาสวนแสงธรรมทุกเช้าเมื่อองค์พระหลวงตามาที่สวนแสงธรรมอ่อนออกจากบ้านประมาณตีห้าเศษเศษตั้งใจให้ถึงวัดเวลาหกโมงเช้าเพื่อมาใส่บาตรและเตรียมงานของอ่อน วัดโกมุตนั้นอยู่ไม่ไกลจากสวนแสงธรรมอ่อนจะผ่านวัดประมาณตีห้าครึ่งซึ่งเริ่มจะสว่างแล้วพอมองเห็นได้ชัดวัดโกมุตอยู่ติดถนนไม่มีอะไรบงังรถอ่อนที่พิทึงเป็นคนขับจะผ่านวัดช้าๆเพราะใกล้าทางแยกรถต้องชะลออยู่แล้วปกติขณะที่รถผ่านวัดอ่อนจะต้องยกมือไหว้ทุกครั้งแต่ในวันเกิดเหตุพออ่อนยกมือขึ้นไหวมืออ่อนค้างเลย เราอ่อนเห็นเปรตนอนเอามือยันหัวเหมือนคนนอนเล่นโดยเอามือยันหัวแต่สิ่งที่อ่อนเห็นตัวใหญ่มากสูงเลยกำแพงวัดขึ้นมามากเฉพาะหัวอย่างเดียวก็ขนาดเท่ากับโองแดงใบใหญ่ที่ใส่รถมาขายตามบ้านนอกหูตาจมูกก็ใหญ่โตมโหรานคอก็ใหญ่เท่ากับโอง่งใบย่อมตามองมาทางอ่อนอ่อนเห็นเต็มตาด้วยตาเนื้อของอ่อนในขณะที่รถก็ไม่ได้วิ่งเร็ว อ่อนเห็นอยู่นานมากเลยประมาณห้าวินาทีทีเดียวอ่อนได้ต่ยกสองมือขึ้นประนมและตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไปทำบุญกับพระหลวงตาและจะแบ่งบุญให้นะอ่อนไม่ได้กลัวแต่รู้สึกสงสารเขาเพราะดูหน้าของเขาแล้วรู้ถึงความรู้สึกของเขาได้เลยว่าเขาลำบากและมีความทุกข์อย่างมากวันนั้นอ่อนจะไปกราบหลวงตาและจะเอาทองไปถวายท่านด้วย เพราะเป็นระยะเริ่มแรกที่ระดมทองเข้าคลังหลวงอ่อนจําได้ว่าเป็นวันที่17เมษายน2541ตั้งใจเต็มที่ที่จะเอาสร้อยคอทองคําไปถวายร่วมบุญกับหลวงตาเป็นสร้อยที่ใช้มานานตั้งใจสละเพื่อร่วมเอาทองคําเข้าคลังหลวงเพื่อเป็นมหากุศลเพราะการทําบุญด้วยทองคําเอาไปค้าชาติไว้เท่ากับทําบุญให้กับคนทั้งหมดในชาติซึ่งหลวงตาท่านบอกกับพวกเราว่าเป็นมหาบุญ เพราะการช่วยคนทั้งชาติถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ถึงขนาดเทพเทวดาเบื้องบนยังกระเทือนต้องลงมาร่วมอนุโมทนาด้วยการทำบุญแล้วแต่กำลังใครมีมากมีน้อยและแล้วแต่ศรัทธา